บุกทูห้าสิบเอดเป็ดจิชเท็จินการไปทำธุระ z ค k ปทดิฉันอยากไปห้องสมุด Я хочу сходить в библиотеку ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ อยากให้ช ja, ูสคดิตอุกนิหารญที่ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมอยากให้ชูสคดิอุชาปิกที่ฉันอยากยืมหนังสืออยากชูเซสุคตันยักที่ฉันอยากซื้อหนังสืออยากให้ชูคุปิตส์นิที่ฉันอยากซื้อหนังสือพิม Я хочу купить газету ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ Я хочу сходить у библиотеку каб у зят книгу ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ Я хочу сходить у книгарню каб купить книгу ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือ เพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาดิฉันอยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง Я хочу сходить у булочну. ю ดิฉันอยากซื้อแว่นตา Я хочу купить а к у л я р ы ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก Я хочу купить садовину і г а р о д н н у ดิฉันอยากซื้อขนมปั ง, ปง Я хочу купить булочки і хлеб. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตาดิฉันอยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผักดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง Я хочу сходить у булочную каб купить булочки и хлеб.